ใจนั้นบริสุทธิ์แล้วแต่นั้นจึงควรฝึกควรปฏิบัติโอกาสเวลาที่จะแต่ทำบำเพ็ญที่จะไล่จะถอนมีในต่างหน้าต่างตาสาละไปทำไปอย่าไปนอนใจอย่าไปประมาททำมันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งทุกที่ทุกสถานถ้าหากเราพิจารณาให้มันเป็นธรรม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 มันมีทางสงสัยมันอยู่ไม่ได้เดืออร้อนวุ่นวายถึงเ ข, ข้าขวงเงินทองทายนอกจะสมบูรณ์ขนาดไหนมันก็อยู่ไม่ได้พราพุทธเจ้าท่ า, าทนเบื่อหน่ายอยู่ทข้งโลกอย่างนั้นท่านจึงมีที่เนสก์กรมยาศาสาร์สุลบุตรกว่าเป็นลูกเกิดฐีมั่งมีสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนจิตใจ ที่ไม่เข้าไปในเรื่องของอาจของทำก็เพิดเชินยินดีหลุ่มหลงอยู่เรื่อยไปแต่พอจิตใจคิดไปในเรื่องของธรรมถนั้นก็เสีงว่าที่นีวุ่นวายหนอะที่นีสัตวคล้องนาะอยู่ไม่ได้หนีไปโดยไม่บอกใครนี่คือเรื่องของใจที่ไปคิดเรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้น ทั้งๆที่ของมีอยู่ทั่วโลกเราเคยเห็นเคยสูตรเคยสบายเคยยินดีพอใจแต่เมื่อยิตใจเข้าไปถึงเรื่องของธรรมมันคิกมันตรงกันข้ามมันเห็นว่าเป็นทิกเป็นไขการเสด็การเลินการหลุ่มการหลง ก, การมัวกันเมาต่างๆมันจะแสวงหาทางออกจากทุกข์ทางพ้นทุกข์ มันหมายินดีในความมีความเป็นของโลกนี่คือเรื่องของธรรมมันให้หลังกันกับเรื่องของโลกปืถีที่พิจะจะนาธรรมงมีโอกาสเวลาตาเห็นก็เป็นธรรมหูได้ยินก็เป็นธรรมจิตนึกคิดอะไรภายในมันก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นยีเดชธรรม หรืเราไม่เต็มอย่างนั้นเห็นอะไรใจมีกิเลสมันก็เลยเป็นกุเลสเต็หมดเหมือนกันกับพระได้อะไรมากของพระผ่าก็ผ่าพระเลองฆ่าของพระยาวก็ยาวของพระถ้าเป็นของโจรเหรอะไรก็เป็นโจรไปหมดเราท่าโจรเหรอเสืโจรหมวกโจร เน้่เป็นโจรไปหมดเพราะตัวปลาทางมันเป็นโจรจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเข้าถึงเรื่องของธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมพอที่จะพิจารณาได้พอที่จะเกิดปัญญาไร้ที่เหลือได้ถ้ามันเป็นธรรมมันศึกษามันพิจาร้าฮะ ความจริงของมันโลกอันนี้มันไม่มีอะไรปิดบงังเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความโง่ของเราความหลงของเรามันจึงเกิดโฉงไสไม่สว่างให้เห็นว่าอันนั้นน่ะดูอันนี้น่าชมอันนั้นหน่ะยินดีอันนี้น่ะเบื่อหน่ายนี่คือเรื่องยิย่เด็ดของใจ มันปกคุมหุ่มห่อไว้้าหาัสจิตใจเป็นอาจเป็นธรรมมันไม่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอันความจริงของมันเป็นอย่างไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นจิตใจไม่ไปก่อเกี่ยวมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจิตใจของเราไปก่อเกี่ยวมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแดกยใครเราเป็นทุกข์เป็นโทษแต่เพราะจิตใจทัจงตัวไปยึดไปถือไปเกี่ยวไปคล้องมันจึงเกิด สลดตัง้งเวชเกิดเบียดเกิดหน่ายเกิดอาจเกิดทำขึ้นในจิตในใจนี่ถามมันที่เจรนาไปในทางทำมันเป็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราท่านว่าเป็นนักปฏิบัติชปโจงต่างแน่ต่างตาทีนี้ที่เจรนาศึกษาหายจิตใหาใจเกิดจิติเกิดปัญญา แกไ่ไขขับไล่เรื่งยีเหลือ์ตันหาความหลุ่มหลงต่างๆออกจากใจไม่อย่างนั้นก็จะทุกข์อยู่ตลอดไปเรียนว้าตายเกิด อ, อยู่เรื่อยไปเพราะความโฉงัยเพราะความติดข้องเพราะความยินดีกาวมาตันหาภาวะตันหาหรือภาวะตันหาหนีตัวถ้าให้เกิดทุกข์ การปราชนาอยากได้ยินดีอยกตามมาตัญหาได้มาหึงหวงยึดมั่นไม่ทราบความจริงของมันเป็นอย่างไรพอมันไม่สวมปราถนาให้ก็เกิดทุกข์อีกยึดภาวะตัญหาทำไมยอมจำนน ตามความจริงของมันหาสิ่งที่ไม่มีหา่าไรมันก็ไม่เจอให้หาซ้ำฝุกจากความเกิดมันจะมีมาจากที่ไหนเราต้องพิจารณามันซเป็นจริงของมันเป็นอย่างไรเกิดมาแล้วจะไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมัน แปรปรวนเปลี่ยแปลงไปตามธรรมชาติขาดขันของมันให้สะาดตามเรื่องความจริงของมันแล้วก็ปล่อยไปตามหน้าจี่ของมันจิตใจของเราจะไม่ยินเยวีไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่เกิดทุกข์ถ้าเห็นจริงถ้าไม่เห็นจริงมันก็เกิดทุกเกิดโทษอยู่อย่างนั้นเรียกว่าวิภวะหาสิงทไม่มีเกิดมาแล้ว ไม่อยากแก่มันก็ไม่มีไม่อยากเก็บมันก็ไม่มีไม่อยากตายมันก็ไม่มีจะไปหาเท่าไรหาของที่ไม่มีมันก็ไม่ได้เมื่อมันไม่ได้มันก็เป็นสุขให้มันก็เกิดทุกข์ขันเทว่าจันหาให้ละเกิดปัญญาที่เจริญให้เห็นการเป็นจริงทุกควรกําหนดให้รู้ มันมีอยู่ที่ไหนล่ะทุกข์กวดีสมุทัยก็ดีเมื่อประหาประหารมันได้นิโรธดทำดับทุกข์มันจะมีมาจากที่ไหนเหมือนกับไฟถ้าเราดับได้มันก็เย็นอยู่ในนั้นถ้าเราดับไม่ได้มันก็ร้อนเผาอยู่นั้นเราจะไปดับที่ไหน กิเล่มันมีอยู่ที่ไหนการดับกิเลสก็จะต้องดับที่นั้นเหมือนกันกับไฟมันมีอยู่ที่ไหนจะไปสาดน้ําไปใส่ที่อื่นมันก็ไม่ดับให้การที่เจ้านายแจกไข่กายใจพ้องตัวจึงเป็นเรื่องทุกคนควรสนใจถ้ามันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราคาตันหาของพี่เจา้านะแยดแยดดูในเหนือในตัว ของตัวเองหรือบุคคลที่เราเกี่ยวข้องที่เนาหนมันั่วมันถึงตามเ็จริงของมันให้จิตใจอยู่ในวงของอัของทำเดินจงกลมจะกาหนดศาสศพตายเลียงกันไปจนสุดทางจงกรมก็ได้หนังาวนาจะเอาใสเอากระดูกแขนขาเอาไว้ ํำหนดเดือยอยู่นั้นมันทำไมจึงไปหลงไปติดไปคล้องกระดูกแขนคออยู่ในใจหรือเดี๋ยวนี้นั่งอยู่กคอมันอยู่สูงอยู่นะกระดูกไหลกระดูกหลังกระดูกข้างมันแขนลงไปยื่นเดินมันกย่แขนลงไปทุกขั้นของกระดูกมันมีอะไรจะน้าสงสัยที่จะติดคล้องีง จะน่ากำนัดยินดีที่เจนาหาทางให้มันรู้มันเห็นให้มันเยียบมันเย็ น, นจิตใจมันหลงบ้าสัตว์ตัวเล็กๆมันก็เชิดเทินรุมหลงได้เรานักบวชนักภาวนายังไปบ้าในเรนที่เหลือตัณหาทาคนธรรมดาเขาสราบวารจิตที่มันคิดไปบ่บ่บอ่บอย่างนั้น จะไม่ละอายเขาหรือทั้งทั้งกี่เช็ดเป็นพระเป็นเนรนเป็นชีหนีจากร า, า, ารวะมาบวชเกิดจะล่ากี่เหลือแต่กดคิดกดปรุงไปในทางกี่เหลือทางสัรหาถึกเป็นหน้าลำคานหน่าอับอายชาวบ้านเขากินของเขาหนุ่งหอมของเขาพัก ท, ที่อยู่ที่อาศัยที่เขาทำให้ ของเหล่านี้พอเอามาบูชาว่าเรา็คิดดีปฏิบัติชอบแต่จิตใจของเรามันโง่เง่ามันบ้าบอจิตไปปรุงไปในทางนอกรีหนอกทางที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็หน่าอับอายจะมีสติมีปัญญารักษาจิตของตัวดูจิตของตัวี่ชั่วีิเสียอย่างนั้นมันก็มีทางจำหนึ่งแล้วก็จะ มีทางต่างหน้าต่งางตาไปที่บัติเพื่ออาจเพื่อทาได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติดูแลรักษาอย่างนั้นมันอยากไปที่ไหนก็ไปกันมันอยากคิดอะไรก็คิดกันทํานองนั้นมันก็ไม่มีอะไรดีให้อยู่ในวัดเพียงแสกายใจมันบ่ามันบอมันวิ่งมันวุ่นอยู่ในบ้าน นะอับพาธทำอะไรไม่ได้มันน่าอับอายบางทีงที่เจนาสอนใจต่างหนา้าต่างตางทำความผากความเทียนํำระหยิตํำระใจให้สะอาดาการมาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรามาเล่น พราผู้ใช้จ้าวทาไม่ทำเล่นครูอาจารย์อยู่กันรู้อาจเห็นทำมาสอนพวกเราทำไม่ทำเล่นทำไม่ทำจริงทำเพียงแ่เราทำมานี้จิตใจของเราดีเชื่อแ่ไหนเราก็ทราบเลยจะทำอยู่เพียงระยะขนาดที่เราทำนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็พอจะ ขาดเอาได้เรากินขนาดนี้มันไม่อิม่มเรานุ่งขนาดนี้มันไม่พอพอหุ่มหลานตายเราจะต้องยินให้มากกว่านี้มันถึงจะอิม่มหาผ้าพื้นใหญ่กว่านี้มาหม่มมันจึงจะหุ่มเมื่อหุ่มตัวของเรามีการประเทยปฏิบัติพอทานองเดียวกันยิตใจที่มัน ยังคิดยังคุณยั ง, ย, งยุ่งยังเกี่ยวสำ เ, เรื่องกิเลสปัญหาอย่างนี้ตามเพียมของเราไม่มีเทียงพอเราจะต้องสร้างหน้าต่างตาถักเพียงพาวนาให้เส้มแข็งเข้าไปกว่านี้ให้นักแน่นเข้าไปกว่านี้เพราะทำขนาดนี้มันไม่พอต่อกิเลสกิเลสจึงไม่ยอมจํานนกิเลสจึงไม่กลัวส่งส้อนตัวอย่างนั้น บางทีมันวุ่นวายมันก่อกวนหนักเข้ามันจะแตกจะสลายไปได้จริงจริงจรงจั ง, จงหรือเราคือใจเจ้าท่านได้ธรรมมาสอนโลกท่านหนึ่งเหยืย่อใ ย, ยอะไรกับชีวิตท่านตัง้งจิตประพฏิบัติจริงจั ง, จงท่านจึงรู้ธรรมเห็นธรรมมาสอนโลกได้เราก็จะต้อง ก็สอบดูอย่างท่านไม่ควรนอนก็ไม่นอนมันเลยในควรฉันก็ไม่ถันมันเลยมันจะเกินขนาดไหนจิตใจที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกมันต้องตัดมันไปมันยังคิดยังพูงยังหึงยังเกี่ยวไม่ยอมเหยมันจิ้มมันนอน เดียมันก็อยู่ฉะนั้นแะตัดอาวุธของมันตัดกำลังของมันมันมีอุบายมีเรื่องที่จะทดสอบที่จะทำถ้ามันดื้อไต้องดัดมันถ้ามันจะดวกสบายก็อปล่อยมันไปธรรมดาธรรมดาก็ภาวนาง่ายอยู่ถ้าหากวันดื้อไม่ดัดแตงจะไถมันมันก็เป็นไปยาก มันดื้อเลตรงฆ์พมานมันถามมันฝึก ง, ง่าย ป, ปล่อยยันไปตามธรรมดาพระพุใธเจ้ากับนายสารวีนายสารวีถามอ่าพวกพุทธองค์ทรง <c oughs> พรมานสัตว์ฝึกสัตว์ึกอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงถามคืน ที่ในสารถีฝึกมาฝึกอย่างไรในสารถีฝึกมาในสารถีก็ต่อว่าม้ามีอยู่สี่จำพวกจําพวกหนึ่งฝึกง่ายจําพวกนั้นก็ให้มันกิน ม, มันนอนสะดวกสบายจําพวกหนึ่งฝึกยากแบบนั้นให้มันกินน้อยนอนน้อยในอย่างนั้นมันมีกําลังเต็มที่เต็นฐานของมันมันฝึกไม่ได้ ต้องทรมานมันนิดหน่อยมันศึกยากกว่านั้นแหละไม่ให้มันจินทรมานมันจนมันหมดกำลังความดืดด่านข้ามันมันก็อ่อนลงไปก็ศฝึกได้จมพวกหนึ่งทำอย่างไรก็ไม่ได้ฆ่ามันเลยเราสถาคศึกสอนวิธีสติต่อน้องเดียวกันหวังนั้น เขาพูดแค่เจ้าหรือถ้าจะท้าขัก็บข่าควนหรือไม่เราไม่ฆ่าแบบนั้นเราตัดสะพานคือสอนอะไรมันก่อนไหมคอยคิดคอยใจให้ก็อไม่ต้องสอนมันเหมือนกันกับนายสารสีฝึกมา้าฝึกอย่างไรไม่ได้ก็ถ้าวันที่การฝึกมา้าการฝึกใจกับทำนองเดียวกันเวลาที่เราภาวนามันจะบวกสบายแล้ว ก็เล่งแต่ทำบำเพ็ญไปเหนื่อใจมันเหื่อมันบ้าแล้วก็ทรมานมันโดยการอดนอนผ่อนอาหารการเดนินจงกรมภาวนาหนักเนี่ยเขาไปมันจะต้องมีอุบายสอนใจท้องตัวมันจริงจะเป็นจะเห็นจะรู้ไม่ใช่ว่ามันจะสะดวกสบายเรื่อยไปไม่ใช่ว่ามันจะยากเรื่อยไปเวลามันง่ายมันก็ง่ายเวยลามัน อย่ากมันก็ยากแต่ทิ้งอย่างไร ก, ไออก็อย่าไปท้อถอยให้อุสาห์ฝ่าฟันมันจะยากขนาดไหนก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะแก้ไขที่จะเบิกเดินที่จะต่อสู้ถามันไม่ยากไม่ลาบากพระพุทธเจ้าก็ไม่ส อ, อ, อนให้มีความอดทนให้มีความผาดเพียนถามันง่ายจะไปผาดเพียนอะไรจะไปอดทนอะไรใครเขาก็ทําได้ ธรรมะของผูใ้ใเจ้าสอนพวกเราในเมื่อเวลามันมีความยุ่งยากลำบากเกิดขึ้นจะต้องอาศัยความอดทวามทนคามผาความเซียนสู่รบขบตัดกับมันเวลามันง่ายมันสบายมต้องหาความอดทวามทนอะไรพอมันง่ายอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วในผาดเซียนอะไรมันก็เป็นก็ไป ที่ยนาอยู่สถานที่ใดไปในอิริยาบถใ ด, ดใจมันเกาะอยู่กับอัตถธรรมไม่ได้หยุนกับโยกกับเครืงสารนี่คือเหมื่ยเวลามันสบายแต่ธรรมดาการกยิกปฏิบัติใจนั้นพวกเราท่านมันเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาทินยาคือปฏิบัติแยกรู้ชาไม่อย่างนั้น ถ้าหาเ ป, าานาปา็นสุขะปฏิปทาจิตปาทุมยาปฏิบัติเป็นสุขง่ายเรามานั่งอยู่นี้มันก็รู้แล้วสำเร็จไปแล้วนี่มันไม่เต็นอย่างนั้นมันช้าต้องอาศัยการจีเยนาการการเทียนต้องอดต้องทนต้องต่ อ, ต อ, ตอสู้ไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นไม่เต็มใหม้ใจไม่เห็น ในเป็นอาจเป็นธรรมมันก็เกิดเสงสัยจะได้คอยพระผูดด้ชายเจ้าองค์ไหนท่านจะมาทําให้ในนี้เพียงแต่ท่านมาสอนเท่านั้นทาสอนของท่านาก็เหมือนกันหมดสอนให้รักเขียวบาเพ็ญดีทําจิตทําใจให้บริสุทธิ์หมดของเท่านั้นถึงจะมีแปดหมื่นสีน่พันพระธรรมขันธ์รวมลงมาเพียงสามข้อเท่านั้น พอมาภายในก็คือใจวายาจใจเท่านัอยดังนั้นเราทุกคนที่ต่างหน้าต่างตามาไปเพื่อปฏิบัติอุปกรณ์ของเราคือใจวายใจใจมันคงมีอยู่แล้วชีวิตของเราคงยังอยู่สติปัญญาของเราก็พอจะมี พาหักแมาทีนี้ไปใจนาไห้มันเป็นอาจเป็นธรรมเป็นมาผมเทศปฏิบัติถ้าหลับอยู่เรื่อยนม่นำอาจนำธรรมมาสอนจิตสอนใจของตัวถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตสาวดีรายเชื่อดีอะไรอย่างนั้นมันก็หมดทางที่จะ ตัเชปฏิบัตินี่เราทุกคนที่สนใจสั่งหนามาศึกษามาภาวนาต่อซึ่งนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้มาสอนกายสอนใจของเราจะกำหนดบทพุทโธก็ได้จะกำหนดลมหายใจก็ได้ตามสงบสงัดหมันถึงการถึงเวลามันจะเกิดขึ้น แต่อย่าไปมือเอาไว้หมายเอาไว้กว่าจะนั่งแถานั้นนาทีนั่งแถานี้นาทีถ้าไปหมายอย่างนั้นไม่ได้อยากใจมันสงบอย่างนั้นอยากใจมันรวมอย่างนี้อย่าไปอยากมันหน้าที่ทําทําไปอย่าไปละปัจจุบันกําหนดบทดพุทธทก็บพุทธเทอยู่นั้นอย่าไปเถือมันจะจนไปเอง สงบลมหายใจแบบเหมือนสซ้ำรับอยู่นั้นมันจะสงบเองอย่าไปขาดตัวหมายเลยเมื่อไไรมันจะสงบให้ขอสําคัญเหมือนกันกับเราดูเป็นไม้ขอให้ดูเหงื่นมันดีดีรักษาลำต้นมันไว้ส่วนดอกผลของมันอย่าไปบังคับมันถึงกายมันจะออกมาเองมีความสงบของใจกัทํานองเดียวกันดูปัจจุบัน ตัณหาตัณ迦ภาวานารักษาอย่างนั้นความสงบของใจความจิตความแจงของใจมันจะเกิดขึ้นถ้าไปอยากไปถ่าไปหมายเอา่อนมันไม่สุขให้มันไม่สงบให้นาิกากวดดีมันไม่เดินนะถ้าได้จะนั่งเท่านั้นชัว่วโมงเดี๋ยวนั่งไปนิดหน่อยมองดูจนอริกาอยู่นั้นจิตกับภวง อยูเรื่นอมันก็เลยมารวมมารวมให้ใครจะเพิ่มเอาไว้เพิ่มมันก่อนเดี๋ยวมันไฟมันไหม้ให้เดี๋ยวมองไปยังยาวอยู่หลับตาเพราะน่าไปอีมันเป็นแบบนั้นอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันให้ดูภายในดูใจของตัวมันอยู่กับบทบริกรรมหรือไม่มันอยู่กับลมหรือไม่เดี๋มันอยู่กับ อะไรมันอยูนะ่เลยเรื่องของอ่านของทำหทรือไม่พิจารณาอย่างนั้นเนี่ยเราทราบเรื่องอย่างนี้เวลาเราทํำเราก็ทําไปตามหนา้าจิตของเราถึงการถึงเวลามันจะเป็นจะไปมันก็เกิดขึ้นให้เกิดให้นี่คือการปฏิบัติจิตปฏิบัติใจในสองไปหาปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติอนยะู่ในตัวของตัวเนี่แหละ เรากำหนดรักษามีสติปัญญาสอนตัวกของตัวอย่างนั้นทําเป็นไปของจิตของใจจี่ไม่เคยเกิดเป็นเห็นรู้ก่อยจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้ขึ้นเมื่อเราเห็นเราเป็นในจิตในใจก็ไม่มีใครที่จะมาเด่งแย่งยุดแย่งลุฝนจีรักขโมยของเรานี้ไป มันสุขมันสงบมันสบายมันดีมันยิ่เร็จื่องของอดคของทำผู้เห็นผู้เกณจึงเย็นสบายอยู่ทุกตานทุกเวลาเป็นอาจารย์ุคกที่เราเคยได้ยินจากข่าวโซดาเศรษฐีคานาชาลัหันท่านองค์นั้นสำเร็จอย่างนั้นสำเร็จอย่างนี้ แต่เราเอาางเป็นอย่างไรก็ไปเอาจากข่าวของคนอื่นมาอ่านไม่ได้อ่านดูจิตดูใจของตัวมันก็เลยไม่สุขไม่สบายให้ข่าวของท่านเป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราจะทํากันแบบไหนให้ดูภายในใหศึกษากายศึกษาใจของตัวขอปฏิบัติมันอยู่นี้ไม่ได้มีอยู่ที่อืน่นแต่นั้นขอทุกคน ทรงนําไปที่นิจเวนาศึกษาแต่งหน้าต่างตาก็ทาบําเพ็ญความผากความเพียนจะนั่นไปความสุขความสบายก็จะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพยีิบเพียงเท่านี้